ที่ดูตั้งแต่พระพุทธเจ้าก็ถึงหกพันป่าอย่างเอาจริงเอาจังเอาเป็นเอาตายเพราว่าแม้เช่ น, นั้นก็เรียกว่าตกนรกทั้งเป็นด้วยความอุตสาห์พยายามตะเกียบตะกายทุ่นระดซึ่งล้วนแล้วต้องเกิดเป็นเรื่องของกองทุกข์ท่าความเปลี่ยนทั้งนั้นมาตลอดเวลาหกปีแตไม่ลำบากลำบนอย่างไรถึงขนาดสลบสะลายนะ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 ต่างๆที่ปรากฏขึ้นกับตัวได้เป็นอย่างดีมีทุกข์ขัดเป็นต้นเราอย่าไปท้อถอยในเรื่องความทุกข์อย่าไปอ่อนใจในเรื่องของทุกการอ่อนใจในเรื่องความทุกข์คืออ่อนใจต่อการตร่อผู้ปฏิบัติคืออ่อนใจต่อทางดาเนินเพื่อความพ้นทุกข์ของตนซึ่งไม่ใช่ของหีเลย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 สาสยบุตรผู้รูกสถาพทเวลาทําความภาเคเทียนก็ไปทุกข์กับเรื่องความเทียนการแก้ที่เหลวต่อสู้กันกับพิเรศตระเพท ต, ต่างเพราะพิเรศบางตระเพทก็ผาดโผนมากเพราะเคยอยู่บนหัวใจของเรามานาเราจะกดเข้าลงอยู่ใต้อำนาจนั้นย่อมเป็นของลำบากไม่ใช่ น, น้อยๆเราเองก็ยัง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 จนสามารถพูดได้ว่าทิเลสไม่มีทางสั่งสมตัวได้แม้แต่สิ่งที่มีอยู่ทิเลตที่มีอยู่ก็ถูกทำลายไปโดยลำดับด้วยสติปัญญาขุดค้นไม่มีวันมีคืนมีปีมีเดือนมีเอียบทใดๆทั้งนั้นเป็นเครื่องจีกขวางความเขียนนี่แต่ท่าแห่งความเพียนจะทั้งหมดหมายถึงสติปัญญาหมุนตัวอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเอียบทใด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 ไม่ยอมอาภัพกับสิ่งใดทั้งหมดแม้จะถูกกิเลสลุมร้อมอยู่ขนาดไหนก็ตามความรู้อันนี้จะเด่นตัวอยู่เสมอรู้ตัวอยู่เสมอสมกับชื่อว่าผู้รู้คูอจินี่ลราจะเอาผู้นี้ล่ะให้พ้นจากสิ่งเกี่ยวข้องหรือสิ่งพัวพันทั้งหลายมาเป็นอิสระภายในตัวเองเนือจากความรู้ล้วนๆนี้จึงต้องได้พิจารณา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 พ้อหนักหนามฝังจมอยู่ที่นั่นเป็นตัวเหตุสําคัญที่จะทําให้ท้าเรากำเริบมากมาย ก, กักองถึงกับเสี่ยไปหมะเพราะฉะนั้นโดยทางเหตุผลแล้วจะทุกข์ลำบากทุกข์ขนาดไหนต้องถอนจนได้ไม่ถอนหนามนั้นเป็นไปไม่ได้นะทุกข์ก็ต้องถอนนี่แหละการบําเพ็ญเพียร้ํามคกิเกล็เป็นเครื่องเสียดแทงจิตใจอยู่ถ้าไม่ถอนแล้ว จะเป็นอย่างไรการถอนหัวน้นาคือกิเลสด้วยความเพียรจะทุกข์ยากละบากขนาดไหนต้องต้องทำโดยทางเหตุผลตายก็ต้องยอมเพื่อได้หนาอันนี้ออกจากจิตใจจะไม่ต้องเกียดแทงกันไปนานพูด ถ, ถึงว่ากิเลสมีอยู่ทุกแห่งทุกคนมีอยู่รอบตัวของเราเฉพาะ อ, อย่างยีนเอารอบตัวนี้ส่วนภายนอกเราก็ยกไว้เวลาพิจารณาเข้ามาแล้วมันมาอยู่รอบตัวนี้